มันก็มีเหมือนกันไม่อาจศจันอะไรนี่คนในโลกมันรู้จักแต่ความสุขแค่นี้แหละความสุขระดับต่ำที่สุดเลยความสุขจากการความสุขจากการได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกลงแต่งที่เพลิดเพลินพอใจและคิดว่าโลกมีความสุขอยู่แค่นี้เองถ้าผู้มีสติมีปัญญาก็เห็นอีกความสุขอย่างนี้ยังไม่ถาวร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 กายนี้ ใ, ใจในี้ที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามารู้ตามความเป็นจริงก็ไม่เห็นเลยว่าเ ป, เป็นตัวเราตรงไหนเป็นแค่ของที่เกิดแล้วก็ดับไป เ, ป TER, เกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็อยู่ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวไปหมดเลยนะดูไปด้วยความรู้สึก ใ, ในใจก็ชั่วคราวนะวิ่งหาความสุขแทบตายเลยความสุขอยู่ชัวว่วคราวก็หายไปความทุกข์เองก็ชั่วคราว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 ทำรูปแบบเพิ่มทำรูปแบบต้องทำให้ถูกถ้าทำผิดจะเป็นอัตาตาขีลมะทานุโยกนะเช่นเราพุโทโธไปหายใจไปจิตเคลื่อนแล้วก็แค่รู้ว่ามันเคลื่อนแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะก็แปลว่าต้องเพิ่มสมถะแล้วค่ะใช่ยังฟุ้งมากอยู่เ อ, ออยังฟุ้งมากนะยังช่างคิดอยู่ได้คิดมากยากนานนมัส ก, การเจ้าค่ะลูกมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมประมาณ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 เรียกว่าอยู่กับตรงนี้แล้วมันสบายดีแน่นอนอสบายดีแต่ต้องไม่เอามันโอ้เอาก็ไปเกิดอีกแหละที่ว่าหน้าเกิดเป็นเพล่ผลมการสกัดของพ่อครับว่า ม, มาอันนี้วันช่วงนี้ก็เมื่อกี้หลวงพ่อตั้ช่วงเช้าหลวงพ่อเทศเนะครัมีความโลภนี่ก็โลภอยู่โลภอยากจะพูดเร็วๆอยากจะออยากจะทันความคิดของเราไม่ทัน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 ให้จิตได้พักให้จิตพักแล้วมีเรื่องมีแรงก็ออกมาเดินตัญญาแยกขันไปเห็นขันทํางานไปนอย่างนี้ไม่นานก็ได้ธรรมะได้นะครับเวลาผ่านไปนานขึ้นก็เห็นกายทุกบ่อยอค่ะเห็นไหมกายมันมีแต่ทุกข์เยอะเลยทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยนะค่อยๆดูไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะ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 สำหรับนักปฏิบัติแล้วมันเห็นว่านี่แหละธรรมดาภาวนาไปก็เห็นว่านี่แหละธรรมดาธรรมะนี้แหละธรรมดาธรรมดานี่แหละน่าเชิญกลับบ้านขับรถระวังนะพวกเราใจร้อนขับรถเร็ว